ดีแง่ร้ายลูกรักการที่ลูกจะยกย่องหรือยอมรับใครสักคนหนึ่งว่าเป็นคนดีนั้นจะต้องดูให้รอบคอบให้ท่องแท้ก่อนแล้วก็ดูกันนานๆอย่าคิดแต่เพียงเฉพาะหน้าเช่นว่าคนนี้เขาดีต่อเราเขาช่วยเหลือเราหรือเขาพูดจาดีกับเรา เราก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีความจริงคนที่เขาดีต่อเราไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีจริงๆที่เขาดีต่อเรานั้นอาจจะเป็นเพราะเขาหวังอะไรจากเราหรือว่าเราสามารถทำสิ่งที่เขาต้องการให้เขาได้หรืออย่างน้อยเราไม่ได้ไปขัดขวางผลประโยชน์อะไรของเขาเขาก็ย่อมดีต่อเราเป็นธรรมดาคนดีจริงๆนั้นจะต้องดีต่อเราและคนอื่นด้วยทานองเดียวกัน เขาดีต่อคนอื่นแต่ไม่ดีต่อเราก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีนั้นจะต้องไม่ดีทั้งต่อเราและคนอื่นด้วยที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาบอกลูกก็เพื่อให้ลูกรู้ไว้ล่วงหน้าจะได้ไม่เชื่อคนง่ายๆไม่ถูกเขาหลอกเอาและจะได้ไม่กล่าวหาใครง่ายๆว่าเป็นคนไม่ดีคือไม่ต้องการให้ลูกมองคนในแง่ดีหรือแง่ร้ายโดยส่วนเดียวนั่นเอง ยารักษาใจลูกรักขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วเป็นไม่มีใครปรารถนาแน่นอนแต่ทุกคนก็มีทุกติดตัวกันอยู่ทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างก็ต้องมีพระท่านว่าทุกมีสองอย่างคือทุกกายกับทุกใจ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 คนที่ไม่เห็นความจริงข้อนี้เมื่อมีทุกข์ทางใจก็จะทุกข์หนักว้าเวเศร้าส้อยบนเพ้อรำพันแล้วก็โวยวายโทษนั่นโทษนี่ส่วนคนที่มีธรรมะและปฏิบัติธรรมะจะมีภูมิต้านทานทุกข์ทางใจได้ดีกว่าคนปกติแม้จะเผชิญกับทุกข์ก็บรนเทาทุกข์ได้เองแล้วก็สามารถหาความสุขได้แม้ในายามทุกข์เข็น ลูกจงฝึกฝนทำความเข้าใจธรรมะให้ดีเถอะจะเข้าใจได้เองว่าธรรมะนั้นดีอย่างไรการครองใจคนลูกรักเจ้านายที่ใจดีมีความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจและเป็นกันเองกับลูกน้องไม่เอารัดเอาเปรียบหรือว่ากดขี่เบียดเบียนลูกน้องลูกน้อ ง, องย่อมจะประทับใจและให้ความเคารพยำงเกรงทั้งต่อหน้าและรับหลังเมื่อลูกมีโอกาสได้เป็นเจ้านายหรือเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นก็อย่าลืมความจริงข้อนี้ถ้าอยากให้ลูกน้องรักอยากให้เขาประทับใจและจงรักพักดีก็ต้องทาในสิ่งที่ ทำให้เขารักประทับใจและจงรักภักดีมากกว่าทําในสิ่งที่ทําให้เขากลัวแต่ไม่ยําเกรงผู้ปกครองที่ใช้ประเดชมากกว่าพระคุณจะมีแต่คนกลัวแต่ไม่ประทับใจและก็ไม่เกิดความจงรักภักดีส่วนผู้ที่ใช้พระคุณมากกว่าประเดชคนเขาจะทั้งกลัวทั้งเกรงและประทับใจเรียกว่าปกครองเขาได้ทั้งกายและใจ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 ให้ความอบอุ่นรวมไปถึงให้เกียรติให้การยกย่องเชิดชู ด, ด้วยถ้าต้องการจับครองใจคนให้ตลอดไปก็ต้องฝึกให้สิ่งเหล่านี้แก่เขาและให้บ่อยๆการปกครองคนที่ดีก็คือปกครองใจคนและการปกครองใจคนที่ดีที่สุดก็คือปกครองให้เขาเกิดความประทับใจเมื่อเขาเกิดความประทับใจแล้วปัญหาในการปกครองก็แทบจะไม่มีเลยทีเดียว คนยาขมลูกรักคนบางคนอาจพูดจาไม่เพราะหูตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันผู้ฟังจะไม่ชอบแต่คนอย่างนี้จะต้องดูให้ลึกๆดูให้นานๆเพราะมักจะเป็นคนที่น่าคบหาได้อยู่ในประเภทคนยาขม คือมีลักษณะเหมือนยาขมตามปกติยาขมนั้นจะเป็นยาดีมีประโยชน์ดังที่คนโบราณกล่าวไว้ว่าคนซื่อมักกล่าวคําไม่เพราะหูแต่เป็นประโยชน์ในการภายหน้าเหมือนยาดีที่ขมปากแต่เป็นประโยชน์แก่คนไข้ตรงกันข้ามคนบางคนพูดจาไพเราะแต่อาจจะเป็นอันตรายต่อเราก็ได้เพราะฉะนั้นการจะตัดสินว่าใครดีไม่ดีด้วยคําพูดของเขา เพียงอย่างเดียวเท่านั้นดูจะเสี่ยงกับความผิดพลาดไม่น้อยข้อสำคัญต้องค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาดูว่าปากกับใจเ้าตรงกันหรือเปล่าเป็นคนประเภทยาขมหรือประเภทน้ำตาลหรือประเภทยาพิษต้องดูดีๆความรับผิดชอบ ลูกรักเมื่อลูกทำงานของตัวเองหรือได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรสิ่งที่ลูกต้องยึดถือให้มั่นคงที่สุดก็คือความรับผิดชอบสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบนั้นก็คือการที่มีความตั้งใจมีความจริงใจในงานนั้นๆให้สำเร็จไปได้ด้วยดีเรียบร้อยและท่านตามกําหนดเวลาไม่ต้องให้ใครมาคอยจาจี้จาชัยบ่อย ไม่ต้องให้ใครมากระตุ้นเตือนให้ทำแต่เตือนตัวเองอยู่เสมอว่านี่เป็นงานที่ตนต้องทำคนที่ทำงานแบบนี้เขาเรียกว่าคนมีความรับผิดชอบดีเป็นที่ต้องการของหมู่คณะและคนเช่นนี้จะเจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนที่ขาดความรับผิดชอบคนที่ปล่อยปละละเลยหน้าที่ของตัวหรือคนที่ทำงานแบบไม่เต็มใจแบบเสียไม่ได้ อย่างที่พูดกันสมัยนี้ว่าแบบเช้าชามเย็นชามลูกทราบดังนี้แล้วจึงควรฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบวิธีฝึกก็ไม่ยากนักเริ่มต้นด้วยการเตือนตัวเองให้ได้ก่อนเตือนตัวเองว่านี่เป็นหน้าที่ของเราเป็นงานของเราเป็นเรื่องของเราที่ตัวเราจะต้องจัดต้องทำและเมื่อลงมือทำก็พยายามทำให้ดีที่สุด ทำจนสุดกำลังและเรียวแรงที่มีอยู่แสดงความรู้ความสามารถให้เต็มที่ผลที่ได้ก็จะเกิดแก่ตัวเราเองเราก็จะเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นเตือนใจตัวเองอย่างนี้อยู่เสมอเสมอความรับผิดชอบก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแก่ลูกนานเข้าลูกก็จะกลายเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่ดีเยี่ยมโดยอัตโนมัติ ฟังหูไวหูลูกรักในวงสนทนา น, นั้นย่อมจะหนีไม่พ้นการพูดจาจนเลยเถิดโดยยกเอาเรื่องคนนั้นคนนี้มานินทามาวิจารณ์กันลูกจะต้องทำใจให้หนักแน่นในเรื่องนี้ทำหูให้หนักแน่นเข้าไว้อย่าเป็นคนหูเบาเชื่อคำพูดของใครง่าย โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคนหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเพราะว่าบางคนพูดไปโดยไม่รับผิดชอบพูดไปตามที่ใจอยากจะพูดไม่คำนึงถึงผลกระทบว่าจะทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายอย่างไรนึกอยากจะพูดก็พูดบางคนก็พูดด้วยความสนุกปากอยากเห็นคนฟังเต้นไปกับคาพูดของตัว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 คนหูเบาวนั้นทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อนเสียคนเสียเครดิตไม่เป็นที่นับถือของใครๆมามากแล้วและความเป็นคนหูเบาวนั้นทำให้สามีภรรยาต้องหย่าร้างแยกทางกันเดินทำให้ครอบครัวล่มจมอยู่ไม่เป็นสุขหวาดระแวงกันหรือต้องระทมทุกข์กันทั้งสองฝ่ายมามากต่อมากแล้วระวังตัวไว้ก่อนเป็นดี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 รวมไปถึงความรู้ความรับผิดชอบความไว้วางใจได้ของเขาเป็นอย่างไรต้องดูให้ดีถ้าใช้คนได้เหมาะกับงานก็จะทำให้งานเดินไปได้คล่องไม่ติดขัดหากใช้คนไม่เหมาะกับงานใช้คนที่ขาดคุณสมบัติใช้เพราะเห็นแก่หน้ากันหรือใช้โดยไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนนอกจากจะทำให้งานไม่เดินแล้วยังอาจทำให้เกิดความเสียหายอีกด้วย มีตัวอย่างให้เห็นไม่น้อยที่ผู้ใหญ่เลือกใช้คนที่ไม่เหมาะกับงานไปมอบหมายงานที่ต้องเสี่ยงต่อความเสียหายสูงไปให้คนที่ขาดประสบการณ์ทำจึงทำให้กิจการนั้นๆหยุดชะงักก้าวหน้าไม่ได้บางแห่งใช้คนที่เป็นพวกพ้องหรือเด็กฝากที่ขาดคุณสมบัติข้างต้นไปทำจึงทำให้กิจการหรืองานส่วนรวมเสียหายก็มีดังนั้นเมื่อลูกจะใช้ใคร จะมอบหมายให้ใครทำงานก็ต้องพิจารณาให้ดีใครก็ตามแม้จะไม่ใช่พวกพ้องของเราหรือมีความรู้ไม่มากแต่มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบสามารถทำให้งานที่ลูกต้องการสำเร็จไปได้ด้วยดีก็ควรใช้เขาดีกว่าใช้พวกพ้องแต่ไม่เป็นงานไปทำไม่ควรเอางานมาเสี่ยงกับคนที่ขาดฝีไม้ลายมือ เพราะจะทำให้กิจการของลูกไม่ก้าวหน้าหรือถึงกับทำให้ล้มได้อย่าเสี่ยงดีกว่าระเบียบวินยัยลูกรักแจกันดอกไม้ที่ใครเห็นชมว่าสวยนั้นขึ้นอยู่กับคนจัด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 คนเราก็เช่นเดียวกันจะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์หน้ามองได้ก็ต้องอาศัยเจ้าตัวจัดแต่งตัวเองไม่ว่าดอกไม้สิ่งของหรือแม้กระทั่งคนเราที่ดูสวยงามอย่างนั้นได้ก็เพราะถูกจัดแต่งให้เข้าระเบียบระเบียบเป็นเครื่องมือจัดแต่งให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามน่าดูหน้าชมคนเราจึงควรมีระเบียบและรักระเบียบเพื่อให้ทุกอย่างดูสวยงาม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 แต่ถ้าเป็นคนเคร่งครัดในระเบียบได้ก็เป็นการดีที่สุดหากลูกเป็นคนมักง่ายไร้ระเบียบแต่ถ้าเป็นคนเคร่งครัดในระเบียบได้ก็เป็นการดีที่สุดหากลูกเป็นคนมักง่ายไร้ระเบียบลูกจะเป็นคนที่ดูดีและมีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นได้อย่างไร ด้รันลูกรักในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะอยู่แบบเพื่อนหรือแบบสามีภรรยากันย่อมมีสิ่งซึ่งเข้ามาแทรกกลางอยู่เสมอสิ่งนั้นก็คือความเข้าใจผิดกันซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดายิ่งเป็นสามีภรรยากันด้วยแล้ว มักจะเข้าใจผิดกันได้ง่ายและบ่อยกว่าเป็นอย่างอื่นอย่าลืมว่าความเข้าใจผิดก็คือความเข้าใจที่ไม่ถูกผิดไปจากความเป็นจริงความเข้าใจผิดนี้เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบเป็นความเข้าใจของตนฝ่ายเดียวซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยตนเข้าใจเพียงคนเดียวว่ามันถูกเขาจึงเรียกว่าความเข้าใจผิดคนที่มีความเข้าใจอะไรผิดผิดมักจะมีความดื้อรั้น ไม่ยอมฟังเสียงใครคิดว่าตัวเองถูกคนเดียวคนอื่นไม่เข้าใจตัวเองทำไปทำมาเลยไปกันใหญ่ต้องถูกเถียงกันไม่ยอมลดลาวาสอบให้แก่กันท้ายที่สุดก็แตกกันมองหน้ากันไม่ติดลูกควรจำไว้ว่าความดื้อรั้นเพราะความเข้าใจผิดนั้นไม่เคยให้คุณแก่ใครเลยมีแต่จะทำให้เกิดความแตกแยกเกิดความไม่สบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย สามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันมาดื้อรั้นถือทิฐิมานะกันทำไมหันหน้าคุยกันปรับความเข้าใจกันเสียจะได้สบายใจด้วยกันไม่ดีกว่าหรือใจแคบใจกว้าง ลูกรักคนบางคนแม้จะยากจนแต่ก็มีพวกพ้องมากเวลามีงานมีการอะไรก็มีคนมาช่วยเหลือห้อมล้อมงานยากก็เป็นงานง่ายส่วนบางคนแม้มีทรัพย์มียศศักดิ์แต่ก็าขาดพวกพ้องถึงมีผู้มาห้อมล้อมก็เป็นประเภทไว้ใจไม่ได้มารุมล้อมเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นคนสองประเภทนี้หาดูได้ไม่ยากในสังคมปัจจุบัน อันที่จริงพวกพ้องนั้นมีความจําเป็นมากในเมื่อเราอยู่ในสังคมซึ่งต้องทํางานด้วยกันต้องติดต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสิ่งที่จะทําให้คนเรามีพวกพ้องที่รักกันจริงและมีความจริงใจต่อกันคือความมีน้ําใจต่อกันมีความเอื้ออาทรห่วงใยกันเวลามีความจําเป็นก็เข้าช่วยเหลือโดยไม่ต้องขอร้องมีอะไรก็แบ่งปันกัน คนที่มีน้ำใจอย่างนี้เรียกคนใจกว้างคนใจกว้างจะมีพวกพ้องมากรงมกันข้ามคนแรงน้ำใจเรียกว่าคนใจแคบคนใจแคบจะขาดพวกพ้องซึ่งคราวจำเป็นจะหาคนช่วยเหลือได้ยากต้องต่อสู้ตามลาพังเมื่อลูกทราบดังนี้แล้วก็ขอให้ลูกเป็นคนใจกว้างอย่าเป็นคนใจแคบมีอะไรช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ช่วยกันไป อย่าตรณีเสียดายโดยไม่จำเป็นใครเดือดร้อนอะไรพอจะช่วยได้ก็ช่วยเขาไปอย่างน้อยก็ช่วยให้กําลังใจเขาเช่นไปเยี่ยมเยยนเขาไปปลอบใจเขาก็ยังดีคนเรายามมีทุกข์ได้เห็นคนมาเยี่ยมเยียนก็พอมีกําลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปได้เกิดเป็นคนใช่ว่าจะมีความสุขสมหวังตลอดไปอาจมีสักวันหนึ่งเราต้องมีความทุกข์บ้าง เมื่อวันนั้นมาถึงเราจะรู้สึกว่าน้ำใจจากพักพวกเพื่อนพ้องนั้นเป็นยาวิเศษฉโลมใจเราให้อบอุ่นแล้วก็เกิดความหวังขนาดไหนอย่าเอาอย่างเขา ลูกรักลูกคงเคยเห็นคนบางคนชอบนั่งจับกลุ่มนินทาชาวบ้านได้นั่งคุยกันเมื่อไรเป็นได้เอาเรื่องของคนโน้นคนนี้มานินทาพูดถึงเขาในแง่มุมต่างๆซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเสียหายทั้งนั้นชอบทําตัวเป็นผู้รู้เป็นผู้สันทัดกรณีทั้งที่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เมื่อพูดแล้วก็สนุกปากหยุดไม่อยู่ลูกเอย๋ย ธรรมดาคนพูดมากนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คำพูดนั้นจะเป็นจริงไปเสียทั้งหมดคนประเภทนี้ลูกไม่ควรเอาอย่างอย่าเป็นอย่างเขาถ้ามีใครเอาเรื่องของเขาไปนินทาไปพูดถึงในทางไม่ดีบ้างเราก็คงไม่ชอบเช่นกันฉะนั้นลูกก็ไม่ควรทำเช่นนั้นกับคนอื่นการพูดถึงคนอื่นนั้นต้องระวังให้มากแม้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดี ก็ต้องระมัดระวังจะเป็นการล่วงเกินเขาเขาคงไม่ชอบที่เราเอาเรื่องของเขามาพูดถ้าเป็นเรื่องไม่จริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เราคิดเอาคาดเอาเองก็ยิ่งจะเป็นบาปมากขึ้นไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเสียเวลาเปล่าด้วยสู้เอาเวลามาคิดเรื่องของตัวเองดีกว่าหากไม่มีอะไรจะคิดก็นอนพักผ่อนหรือไม่ก็เดินเล่น นั่งนอนอ่านหนังสือฟังวิทยุดูทีวีซะดีกว่าเพราะไม่เกิดโทษทางปากและไม่เป็นทุจริตทางวาจาใครเขาจะนินทา ว, ว่าร้ายใครก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปร่วมวงกับเขาด้วยก็เป็นดีที่สุดนักเอาเบาสู้ ลูกรักคนที่เขาตั้งเนื้อตั้งตัวได้จนมีหลักฐานมั่นคงนั้นมีน้อยคนที่ได้ซัพ์มรดกมาตั้งตัวส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจากความลำบากได้เพียงลำแข้งและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมาเป็นมรดกแล้วใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นมาต่อสู้ชีวิตเป็นคนสู้ชีวิตต่อสู้แบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหรือหนักเอาเบาสู้กันเขาจึงได้มีฐานะดี มีหลักฐานมั่นคงอย่างที่เห็นประเภทที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้เอาแต่สนุกชอบแต่ความสบายประเภทเยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ น, นั้นไม่มีโอกาสสร้างตัวได้แน่นอนแม้จะมีมรดกกองใหญ่ไว้ให้กินใช้ไม่ช้าก็พลานหมดลูกเอย๋ยผู้ใหญ่สอนกันมานานแล้วว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังคำว่าศัตรูในที่นี้ นอกจากหมายถึงคนแล้วยังหมายถึงความลำบากและอุปสรรคต่างๆด้วยเมื่อคนเราต้องต่อสู้ชีวิตก็ต้องพบกับความลำบากแต่ก็ขอให้ลูกคิดว่าความลำบากนั้นเป็นยากาลังที่จะกระตุ้นให้เรามีความมุมมนะและความขยันพยายามเพื่อเอาชนะความลำบากไปจนถึงจุดหมายปลายทางคือความสบายให้ได้พ่อแม่ไม่มีมอรดก ที่เป็นทรัพย์สินให้ลูกหรือมีให้ก็ไม่มากนะักแต่ลูกก็ได้ลำแข้งและจิตใจไว้พร้อมแล้วใช้ลำแข้งและจิตใจนั้นต่อสู้ต่อไปสู้งานสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้อย่าท้อแท้และอย่า ง, งอมืองงอเท้ารอโชควาสนาสักวันหนึ่งลูกคงจะพะ ง, งาดเป็นหนึ่งในจํานวนผู้มั่งคัง่งได้อย่างภาคภูมิใจ ผู้ต่อสู้ที่แท้จริงลูกรักในการทำงานทุกอย่างนั้นจะต้องมีการแข่งขันต่อสู้มีความลำบากต่างๆกันไปซึ่งเรียกกันว่ามีอุปสรรคในการทำงานคนที่ทำงานสำเร็จนั้นคือคนที่ผ่านอุปสรรคนั้นๆมาแล้วหนักบ้างเบาบ้าง แต่ข้อใ้ว่าทุกคนจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมาจนถึงจุดสำเร็จได้ทุกคนไปการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคจนพ้นไปได้ด้วยการต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆเท่านั้นไม่ใช่จะพ้นได้ด้วยการหลบเลี่ยงหรือกระโดดข้ามไปเหมือนกับข้ามรัว้วแต่ต้องฝ่าเข้าไปท่ามกลางอุปสรรคนั้นเหมือนต้องแล่นเรือฝ่าคลื่นลมหรือเดินฝ่าแดดฝ่าฝนไปจึงจะผ่านคลื่นลม และผ่านแดดผ่านฝนไปได้ฉะนั้นความจริงการต่อสู้อุปสรรคจะไม่ยากนักถ้าเราได้ต่อสู้กับจิตใจและกำลังใจของตัวเองจนชนะก่อนจิตใจและกำลังใจของเรานี่แหละถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของคนเราการต่อสู้กับจิตใจและกำลังใจของตัวเราเองนี่ยากกว่าต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในภายนอก คือหนาวร้อนลมแดดความหิวความลําบากเป็นต้นการต่อสู้กับจิตใจให้ชนะคือต้องปลุกใจให้ตื่นตัวไม่ให้ท้อแท้ท้อถอยให้ใจมีกำลังไม่ให้หมดกำลังใจไปเสียก่อนเมื่อต่อสู้จิตใจด้วยตัวเองจนชนะและมีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็จะสามารถต่อสู้กับอุปสรรคภายนอก จนกระทั่งฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้โดยสวัสดีแต่หากเอาชนะใจตัวเองด้วยการฝ่าฟันอุปสรรคสำคัญคือความเกียจคร้านความท้อแท้ความหมดกำลังใจไม่ได้แล้วจะไปต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรได้ต่อสู้กับใจตัวเองให้ชนะก่อนแล้วก็จะชนะทุกอย่างในโลกได้พระท่านว่าไว้อย่างนี้ สบายสิบ้างจะได้สบายลูกรักย่อมจะมีสักวันหนึ่งที่คนเราต้องพบกับความทุกข์หรือปัญหาที่ทำให้อึดอัดใจจะบอกใครก็ไม่ได้รู้มากคนก็ไม่ได้หรือความทุกข์ชนิดที่ตัวเองคิดว่าคนอื่นไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ความทุกข์แบบนี้จะทาให้เกิดความเครียด หนักจนปวดหัวกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงกลายเป็นโรคประสาทไปได้ง่ายหากลูกประสบกับภาวะเช่นนี้กับเขาบ้างลูกอย่าได้เก็บไว้คนเดียวต้องระบายออกมาเสียบ้างจะทำให้สบายใจขึ้นเหมือนคนท้องผูกแหละลูกพ่อถ่ายออกเสียได้ก็จะรู้สึกโล่งสบายตัวขึ้นความเครียดและความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในใจก็เช่นเดียวกัน ต้องระบายออกมาแต่อย่าไประบายโดยทำลายข้าวของหรือว่าด่าทุบตีคนรอบข้างเข้าจะเพิ่มทุกข์เพิ่มเรื่องมากขึ้นวิธีระบายความเครียดอึดอัดใจที่ดีที่สุดก็คือเล่าให้คนอื่นฟังคนที่เราควรเล่าให้ฟังเป็นอันดับแรกคือพ่อแม่เรามีเรื่องคับอกคับใจอย่างไรก็มาเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ทุกคนไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ลูก พ่อแม่ย่อมเห็นใจลูกและเข้าใจลูกเสมอแม้บางครั้งจะแก้ปัญหาให้ลูกไม่ได้แต่ก็เป็นที่ระบายทุกข์ของลูกได้ลูกจะเล่าจะร้องไห้จะแสดงอารมณ์อะไรต่อหน้าพ่อแม่ก็ได้ทั้งนั้นถ้าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วจะทำให้ลูกสบายใจขึ้นพ่อแม่ก็ยินดีรับฟังยินดีรับรู้และเห็นใจลูกเสมออย่า เห็นพ่อแม่เป็นคนอื่นความเครียดความทุกข์กังวลทั้งมวลของลูกลูกควรจะระบายไว้ที่พ่อแม่อย่ากเก็บสม อ, อกไว้คนเดียวพ่อแม่นั้นย่อมจะเป็นกระโถนสำหรับลูกเสมอไฟฤษยา มีอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อเกิดแก่ผู้ใดแล้วจะทำให้ผู้นั้นร้อนรุ่มใจเกิดความหงุดหงิดงุนง่านไม่สพอารมณ์อารมณ์ที่ว่านั้นคือความริษยาเป็นอาการของจิตที่เกิดจากการเห็นคนอื่นได้ดีหรือมีดีกว่าตัวและทนไม่ได้ยิ่งผู้ที่ดีกว่าตัวนั้นเป็นศัตรูหรือคู่แข่งกันด้วยแล้วความริษยายิ่งจะมีพลังสูงขึ้นหลายเท่า คนที่มีความริษยาจะหมดความสุขไปเลยโดยไม่รู้ตัวเห็นอะไรขวางหูขวางตาไปหมดงดหงิดง่นง่านง่ายพานด่าไปหมดไม่ว่าสามีหรือภรรยาลูกเต้าก็ไม่เว้นอารมณ์ริษยานี่ร้ายแรงและร้อนแรงมากลูกเอ้ยถึงกับฆ่ากันได้ก็มีเขาจึงบอกว่ามันเป็นไฟเรียกว่าไฟริษยา เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเผาลนจิตใจคนให้ร้อนรุ่งหงุดหงิดตลอดเวลาแต่ไฟกองนี้ใช่ว่าจะเกิดง่ายดอกจะเกิดก็ต่อเมื่อเห็นศัตรูหรือคู่แข่งได้ดีเท่านั้นหากคนที่ได้ดีนั้นเป็นคนที่ตัวเรารักชอบพออารมณ์ริษยาจะไม่เกิดขึ้นเมื่อลูกรู้อย่างนี้แล้วลูกต้องระวังอารมณ์ชนิดนี้ให้ดีอย่าให้เกิดขึ้นได้ เรื่องอย่างนี้ลูกต้องฝึกเป็นคนใจกว้างไว้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูจะเป็นคนที่เราชอบหรือชังก็ตามเขามีสิทธิ์ได้รับความสำเร็จในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกับคนทั่วไปถ้าเรายินดีชื่นชมเขาไม่ได้ก็ทําใจวางเฉยทําเป็นไม่รู้ไม่สนใจเสียจะทําให้สบายใจกว่าที่จะไปริษยาเขาหรือไปกระแนะกระแนหเขาถ้าเราริษยาเขา คนที่เดือดร้อนจริงๆก็คือตัวเราม่ใช่เขาแล้วเรื่องอะไรเราจะมาเก็บไฟไว้ในอกให้ร้อนรุ่มหดหงิดงโดยใช่เรื่องดูออกจะไม่ฉลาดเลยมองการไกล ลูกรักมีคำพูดสมัยใหม่อยู่คำหนึง่งคือคำว่ามองการไกลหมายถึงทำอะไรก็ตามให้มองไปข้างหน้ามองยาวๆมองถึงอนาคตซึ่งเป็นคำพูดที่มีความหมายดีเพราะคนที่มองการไกลนั้นจะได้รับความสำเร็จในกิจการต่างๆที่ตัวทำในระยะยาวคนที่มองอะไรแคบๆมองเฉพาะหน้ามองผลระยะสั้น ก็จะได้รับความสำเร็จในระยะสั้นๆแล้วก็ล้มเหลวไม่มั่นคงดังนั้นเมื่อลูกจะทำกิจการอะไรก็ตามลูกต้องมองการไกลเข้าไว้ยิ่งเป็นงานใหญ่ยิ่งต้องมองให้ไกลยิ่งขึ้นคนที่มองการไม่ไกลจะเจริญก้าวหน้าเป็นหลักเป็นฐานได้ยากส่วนคนที่มองการไกลเขาจะมองอย่างรอบครอบถีท้วนคิดถึงผลได้ผลเสียไม่คิดแต่ผลได้อย่างเดียว คิดถึงทีหนีทีไล่ไว้ล่วงหน้าคิดวิธีเดินหน้าและถอยหลังไว้พร้อมสับพพูดแบบสมัยใหม่ก็คือวางแผนการดำเนินงานไว้อย่างดีถี่ถ้วนรอบคอบพินิษพิจารณาหลายรอบหลายตลกนั่นเองคนที่มองการไกลเขาจะไม่คิดเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นแต่จะคาดการไปถึงอนาคตอันยาวไกลเพราะเขามองได้ไกลเขาจึงได้รับความสาเร็จสูง ทสงผลสบายไปชั่วลูกชั่วหลานลูกลองฝึกเป็นคนมองการไกลดูบ้างคือมองไปข้างหน้ายาวๆมองให้ตลอดถึงลูกถึงหลานยิ่งดีอย่ามองใกล้ๆเพียงแค่เอาตัวรอดไปวันๆหรือเพียงความสําเร็จเป็นครั้งคราวเท่านั้นฝึกมองให้ไกลๆวางแผนระยะยาวไว้ทําได้อย่างนี้ลูกก็จะเป็นคนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นผู้มองการไกล แล้วก็จะได้รับความสำเร็จถาวรเหมือนกับคนอื่นการเตรียมพร้อมลูกรักในชีวิตแต่ละวันของคนเรานั้นมีเรื่องที่จะต้องให้แก้ไขยอยู่ร่ำไป เดี๋ยวเรื่องโน้นเดี๋ยวเรื่อง น, อ น, องนี้บางครั้งก็นำความลำบากทุกยากมาให้เพราะแก้ไขไม่ได้แม้ลูกเองก็คงเคยประสบเรื่องอย่างนี้มาบ้างแล้วอยากจะบอกวิธีสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเตรียมพร้อมซึ่งหมายถึงการประเตรียมป้องกันแก้ไขให้พร้อมไว้ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาหรือเรื่องนันจะมาถึงเหมือนการเดินทางไกลซึ่งต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นแผนการเดินทางสบียงเสื้อผ้าภาชนะรวมถึงเงินที่ต้องใช้จ่ายถึงเวลาหยิบฉุ๋ยเดินทางได้ทันทีเดินทางไปแล้วก็จะไม่ขาดเหลืออะไรการเตรียมพร้อมเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเมื่อเกิดปัญหาก็แก้ได้ทันทีเช่นเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้พร้อมพอเกิดไฟไหม้ก็หยิบมาใช้ได้ในทันที เตรียมยุกยาที่จําเป็นไว้พร้อมพอเจ็บไข้อะไรก็พอประทังได้ไม่ร้ายแรงเตรียมกายเตรียมใจเตรียมคิดไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรจะทําอะไรจะทําอย่างไรดังนี้เป็นต้นการเตรียมพร้อมอย่างนี้ทางพระเรียกว่าไม่ประมาทคนที่มีความรอบคอบเขาจะเตรียมพร้อมเสมอ พ่อเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้นก็สามารถผ่านปัญหาผ่านเหตุการณ์นั้นๆไปได้โดยไม่ทุกข์ไม่ลำบากมากนะักท่านจินสอนกันมาว่าอย่าเป็นคนประมาทเตรียมตัวให้พร้อมเข้าไว้ป้องกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้กไขภายหลังความประพฤติแบบวัวหายและล้อมคอกนั้นท่านสั่งสอนกันมาว่าอย่าถา ทำสิ่งที่ไม่เสียหายลูกรักปกติคนเราเมื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งก็มักจะคิดว่าเมื่อทำแล้วจะได้ผลตอบแทนอย่างไรจะเสียหายหรือไม่เป็นต้นก็ถูกต้องเพราะแสดงถึงความรอบคอบคิดหน้าคิดหลังหากไม่คิดเสก่อนอาจจะผิดพลาดเสียหาย ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้ในแวดวงของศาสนาท่านแนะนำไว้เช่นนี้เหมือนกันพึงอ่อนน้อมต่อผู้อ่อนน้อมด้วยพึงคบหากับผู้เต็มใจจะคบหาด้วยพึงช่วยทํากิจแก่คนที่หมั่นทํากิจไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้ไม่ต้องการประโยชน์อย่าสมาคมกับคนที่ไม่เต็มใจจะสมาคมด้วยคำแนะนำนี้ให้ข้อคิดที่ดีมากลูกเอ้ย ชัดเจนดีจนแทบไม่ต้องอธิบายเป็นคำแนะนําที่ป้องกันมิให้เราเสียเวลาไปทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทำตามคำแนะนำนี้ได้เราจะไม่เสียเวลาเสียเรี่ยวแรงและจะไม่เสียใจภายหลังด้วยเช่นเราไม่อ่อนน้อมอมตนต่อคนที่แข็งกระด้างไปยกมือไหว้คนที่เขาไม่ยอมรับไหว้ก็เสียมือเปล่าหรือเราไปช่วยเหลือ ช่วยทำกิจต่างๆแก่เขาแต่เขาไม่เห็นความมีน้ำใจของเราก็ป่วยการเปล่าอยู่เฉยๆดีกว่าลูกเอ้ยคนเราไม่เหมือนกันลูกอย่าไปคิดว่าเขาเหมือนเราหรือเราเหมือนเขาเราคิดอย่างหนึง่งเขาก็คิดอย่างหนึง่งดูให้ดีคิดให้ดีก่อนที่จะตั้งความหวังหรือคิดจะทำอะไรให้แก่ใครจะได้ไม่เสียใจและ เสียดายในภายหลังทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้รอบครอบอาจจะเสียดายทำดีได้แต่อย่าให้เด่นลูกรักเมื่อทำงานอยู่กับใคร ไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานเอกชนก็ขอให้ลูกพยายามศึกษานิสัยใจคอของผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายให้ดีทั้งนี้เพราะผู้ใหญ่แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันประเภทน้ำนิ่งไหลลึกก็มีประเภทปากหวานก้นเปรี้ยก็มีประเภทปากปราศัยใจเชิดคอก็มีประเภทพูดจากะเราดีชมเราตลอดเพื่อหลอกให้เราทำงานให้แต่ไม่เคยให้อะไรแก่เราเป็นชิ้นเป็นอันก็มี ถ้าเราหลงลมปากคนอย่างนี้เราจะเหนื่อยไปตลอดแต่ของดีๆเขาจะให้แก่พวกพ้องหรือคนใกล้ชิดของเขาหมดแล้วมาพูดให้กำลังใจเราให้ทำดีต่อไปอย่าท้อแท้อะไรทำนองนี้ประเภทปากหวานก้นเปรี้ยวอย่างนี้แหละร้ายนักนะลูกเอ้ยส่วนประเภทน้านิ่งไหลลึกนั้นต้องดูไปนานๆจึงจะรู้ว่าดีจริงหรือไม่ดูที่การกระทา เขาอาจจะไม่ชมเราแต่พอถึงเวลาอาจให้บําเหน็จรังวันแก่เราก็ได้ประเภทปากร้ายใจดีนั้นขอให้เราอดทนเข้าให้ได้เท่านั้นแหละเป็นได้ดีทุกรายไปหากลูกทํางานกับผู้ใหญ่ที่ปากหวานก้นเปลี่ยวไม่มีความยุติธรรมมีความลําเอียงและหูเบาก็ต้องระวังตัวระวังใจทํางานเพื่อ ง, งานทําให้ผิดพลาดบกพร่องเท่านั้นก็พอ อย่าไปหวังอะไรมากที่เตือนลูกอย่างนี้ไม่ใช่จะสอนให้ลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่เตือนเพื่อให้ลูกป้องกันตัวไว้ไม่ต้องเหนื่อยและทุ่มเทกับงานเกินไปแต่ผลที่ได้รับกลับเป็นความช้ำใจและขมขื่นเพราะผู้ใหญ่ไม่ยุติธรรมพ่าสิทธิ์กล่าวไว้ว่าทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภยัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนั้นยังเป็นอมตะอยู่เสมอ การทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำดีต้องให้ถูกบุคคลด้วยจึงจะได้ผลดีจริงรู้หน้าไม่รู้ใจลูกรักมีภาษิตกล่าวไว้ว่า คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจเป็นคำที่ใช้ได้ตลอดการโดยเฉพาะสมัยนี้ค่อนข้างจะเห็นชัดสร้างภาพลวงตาเก่งดูข้างนอกก็สดใสมีเมตตาแต่ข้างในคิดไปอีกอย่างหนึง่งเหมือนภาพที่เขียนกับตัวจริงย่อมผิดกันภาพเขียนมักจะสวยงามน่าชมกว่าตัวจริงเพราะมีการแต่งแต้มสีให้สดใสลงไป คนที่สร้างภาพตัวเองให้ดูเด่นก็จำเป็นต้องแต่งแต้แตมสีสันให้ใบหน้ากริยาท่าทางและการแสดงออกอื่นๆให้ดูดีหน้านิยมชม ช, มชอบแก่ผู้พบเห็นเข้าไว้เพื่อปกปิดภายในซึ่งไม่งดงามอย่างนั้นจึงเกิดคำพูดว่ารู้หน้าไม่รู้ใจขึ้นคือเรารู้ได้แต่หน้าตาภายนอกของเขาแต่ใจของเขานั้นยากที่จะยังรู้ได้ เพราะอาจจะผิดเพี้ยนไปได้เหมือนภาพวาดกับตัวจริงดังนั้นเมื่อลูกจะคบใครจะไว้วางใจใครหรือทากิจร่วมกับใครจึงควรดูให้ดีดูให้นานๆอย่าดูเพียงภายนอกซึ่งอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้ต้องดูไปถึงการกระทําและความคิดความอ่านของเขาดูทั้งต่อหน้าและลับหลังหากลูกไม่ดูให้ดี หลงไปคบหาหรือไว้วางใจให้เคารพนับถือเข้าๆอาจต้องชอกช้ำใจในภายหลังได้คนอื่นมาทำให้เราผิดหวังเราก็แค่เดือดร้อนเท่านั้นแต่คนที่เรารักไว้วางใจหรือคนที่เราเคารพนับถือมาทำให้เราผิดหวังนั้นมันทำให้เราเจ็บปวดและชอกช้ำใจยิ่งหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน จะจนใจเองจะไว้ใจใครก็อย่าถึงกับวางใจเลยจะรักนับถือใครก็เผื่อใจไว้ผิดหวังบ้างจะได้ไม่เสียใจมากเมื่อผิดหวังคืออย่าทุ่มเทใจไปรักนับถือหรือยอมรับใช้ใครแบบยอมตายถวายชีวิตให้เผื่อขาดเผื่อเหลือไว้บ้างจะเป็นดี ใจเข้าใจเราลูกรักการอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะอยู่กันแบบสามีภรรยาแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกแบบญาติมิตรแบบเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมโลกการคํานึงถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญมากจะอยู่กันได้นานหรือไม่นาน จะอยู่กันอย่างสงบสุขหรืออย่างอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็อยู่ที่จุดนี้เป็นสำคัญการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราและเอาใจเราไปใส่ใจเขาเป็นเรื่องที่ควรทำหมายความว่าเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่คนอื่นด้วยบางครั้งเราคิดว่าเราทำแล้วเราได้ผลประโยชน์ แต่คนอื่นเขาอาจเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราก็ได้จึงควรเหล็กเลี่ยงข้อนี้ให้มากไม่ควรสร้างความสำเร็จบนความเดือดร้อนของคนอื่นเราไม่ชอบให้ใครมาทำให้เราเดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ชอบให้เราไปทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนกันนึกถึงอกเขาอกเราเป็นใช้ได้คนที่คิดเอาแต่ได้เขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวลูกเอ้ย เกิดมาเป็นคนนะลูกเมื่อเราอิ่มก็ควรนึกถึงคนที่เขาอดบ้างเมื่อเราสุขก็ควรนึกถึงคนที่เขาทุกข์บ้างเมื่อเรามีความคิดถึงคนที่เขาจนบ้างลูกคิดได้อย่างนี้ลูกจะเป็นนักเสียสละเห็นใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วก็จะเป็นที่รักนับถือของคนทั่วไปหากลูกเป็นคนเห็นแก่ตัวลูกจะอยู่โดดเดี่ยวเวลาลูกเดือดร้อน ก็จะไม่มีใครแยแสลูกเลยจำไว้เธอลูกคิดก่อนพูดลูกรักปากคนนั้นนำสุขมาให้ก็ได้นำทุกข์มาให้ก็ได้ มีคำเตือนมากมายเกี่ยวกับปากเช่นว่าพูดไปสองไัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเมื่อลูกคบหากับใครทำงานที่ไหนก็ตามสิ่งที่ต้องระวังให้มากคือปากท่านกล่าวว่าจงเก็บปากไว้ที่ใจอย่ากเก็บใจไว้ที่ปากคืออยากพูดอะไรก็เก็บไว้ในใจอย่าพูดทุกอย่างตามใจคิดพูดมากโอกาสพลาดก็มีมาก พูดน้อยก็พลาดน้อยเมื่อจำเป็นต้องพูดก็ควรพูดอย่างมีสติพูดพอประมาณพูดอย่างสร้างสรรพูดถูกธรรมและประกอบได้ประโยชน์ท่านบอกไว้ว่าคำพูดที่ดังเกินไปคำพูดที่แรงเกินไปคำพูดที่เกินความจริงล้วนฆ่าคนพูดผู้โง่เขลาได้ทั้งสิ้นคนสมัยนี้พูดเก่งและพูดได้มากแต่ลูกพิจารณาดูให้ดี คนที่พูดเก่งอย่างนั้นมีสกิบคนที่พูดแบบสร้างสรรค์ทำให้เกิดความสมานสามคัคคีทำให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจแต่เราจะไปห้ามเขาไม่ให้พูดก็ไม่ได้เขาจะพูดดีไม่ดีอย่างไรพูดก้าวร้าวเสียดสีใครเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาเขาพูดเขาก็ต้องรับผิดชอบเองสาคัญลูกอย่าไปพูดอย่างเขาก็แล้วกันคิดให้ดีก่อนพูดเสมอ ยิ่งพูดถึงบุคคลอื่นด้วยแล้วยิ่งต้องระวังเพราะเราไม่รู้จักเขาดีพอไม่รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาดีเท่ากับตัวของเขาหรอกเราจะไปคาดเอาเองว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไปพูดทำให้เขาเสียหายดูจะไม่ยุติธรรมนักดีที่สุดคือไม่พูดถึงคนอื่นโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงดีพอแม้จะรู้จริงก็ไม่ควรพูดถ้าจาเป็นต้องพูด ก็ควรพูดอย่างมีสติพูดด้วยความระมัดระวังเพราะการพูดถึงคนอื่นนั้นเสี่ยงต่อความเป็นศัตรูกันและจะเป็นบาปกรรมด้วยระวังไว้เป็นดีที่สุดคนใจบอด ลูกรักลูกคงเคยได้ยินคำพูดว่ามองกันแต่ในแง่ดีมาบ้างคำพูดนี้บอกให้เราหัดมองแง่ดีของคนที่เรารู้จักคนที่เราครบหาหรือคนที่อยู่ด้วยกันกับเราเพราะคนเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องในตัวด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเสียทั้งหมดจนหาที่ติไม่ได้เมื่อรักจะคบกันรักกันจะอยู่ด้วยกัน ก็ควรมองหาแต่จุดดีของกันส่วนจุดด้อยหากมีไม่มากจนรับไม่ได้ก็มองข้ามไปเสียยกจุดดีที่มีมากกว่ามาเป็นจุดเด่นก็จะทำให้กรบจุดด้อยของเขาหรือทำให้เจือจางลงไปได้อันที่จริงคนเราทุกคนล้วนมีจุดดีด้วยกันทั้งนั้นถ้ามองด้วยใจเป็นธรรมคนที่มีใจเป็นธรรมย่อมจะมองเห็นความดีของคนอื่นได้ง่าย ส่วนคนที่มีใจไม่เป็นธรรมหรือขาดความยุติธรรมแม้คนอื่นจะมีความดีโดดเด่นอย่างไรก็มักมองข้ามหรือทํามองไม่เห็นเสียคนตาดีเมื่อมองไม่เห็นความดีของใครเขาเรียกว่าคนใจบอดคนใจบอดจะมองไม่เห็นความดีของใครยึดถือแต่อคติเป็นที่ตั้งเราจะหาความยุติธรรมจากคนใจบอดได้ยาก แม้ตัวเขาเองบางทีก็ไม่รู้ตัวเชด้วยซ้าไปว่าตัวเองเป็นคนใจบอดคนตาบอดอยังน่าคบหากว่าคนใจบอดทําดีกับคนใจบอดก็ต้องทาใจไว้ล่วงหน้าว่าเขาจะมองเห็นความดีของเราที่บอกลูกเช่นนี้ก็เพื่อให้ลูกรู้ว่าคนเรานั้นรู้หน้าไม่รู้ใจต้องศึกษาคนให้ถึงใจเขาเราจะได้ระมัดระวังตัวและทาใจได้ถูกในขณะเดียวกัน ลูกก็อย่าทาตัวเป็นคนใจบอดซิเองเท่านั้นแหละหกล้มต้องหกลุกลูกรักในการดำเนินชีวิตนั้นใช่ว่าจะราบรื่นไปเสียทุกอย่างชีวิตมีขึ้นมีลง มีสุขมีทุกข์ควบคู่กันไปตลอดเวลาโดยเฉพาะในการทำงานยิ่งเป็นงานใหญ่ยิ่งมีอุปสรรคมากหากลูกทางานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกคิดรอบคอบแล้วว่าเป็นงานดีเป็นงานที่ทำให้ก้าวหน้าได้แต่เมื่อทำไปทำไปงานนั้นเกิดสะดุดขึ้นไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้เรียกว่ามีอุปสรรคขัดข้องลูกก็ต้องผ่านอุปสรรคนั้นไปให้ได้ด้วยสติปัญญา ด้วยความรอบคอบอย่าบุมบามหรือหุนหันพลันแล่นค่อยคิดค่อยแก้ไปอย่าท้อแท้หมดกำลังใจเสียก่อนสิ่งสำคัญที่สุดยามที่เราพบปัญหาอุปสรรคในชีวิตก็คือกำลังใจอย่าให้กำลังใจตกการงานการเงินจะตกหรือสะดุดอย่างไรก็ช่างอย่าให้กำลังใจของเราตกตามไปด้วยต้องประคับประคองกำลังใจเข้าไว้โบราณสอนว่า หกล้มต้องหกลุกนั้นหมายความว่าเมื่อหกล้มหรือพลาดไปต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่คนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไปได้เท่านั้นจึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนเราหกล้มบนถนนทำไมเราจะต้องนอนกลิ้งเกลือกแช่อยู่บนถนนนั้นทำไมเราไม่รีบลุกขึ้นมาและเดินต่อไปเช่นเดียวกันเมื่อเรามีอุปสรรคหรือพบความผิดหวัง ทำไมเราจึงไม่ประคับประคองใจให้เข้มแข็งดึงตัวเองออกจากความผิดหวังนั้นแล้วลุกขึ้นยืนหายใจให้เต็มปอดก้าวเดินไปด้วยความมั่นใจด้วยสติปัญญาและด้วยความรอบคอบกว่าเก่าใช้ข้อผิดพลาดบกพร่องที่ผ่านมาเป็นครูคอยเตือนใจมาเป็นบทเรียนเพื่อมิให้เกิดผลผิดพลาดแบบนั้นอีกพร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ และด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งเล่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อลูกรักคนเล่าขานกันมาว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเห็นว่ามีความหมายดีก็เลยนำมาบอกลูก คือถ้าเราอยากมีอนาคตที่ดีมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตลอดไปก็ต้องบัน่นคือตัดขาดสิ่งที่จะมาทำลายอนาคตทำลายชีวิตของตนเสียอย่าเข้าใกล้สิ่งเหล่านั้นเช่นอบายามุกยาเสพติดความเกตคร้านความสุรุยสุร่ายความหุนหันพลันแล่นเหล่านี้เป็นสิ่งที่คอยบั่นทอนอนาคตทั้งสิ้นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมถ้าบันจากชีวิต เราได้อนาคตก็รุ่งเรืองสดใสได้ไม่ยากแต่ถ้าเราคิดสั้นๆคิดเอาเฉพาะหน้าหวังสนุกสุขสบายเฉพาะหน้ามีชีวิตไปวันๆอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ช่างก็ให้เสพอใบยมุกต่อไปเกียรครั้นต่อไปสรุยสุรายต่อไปอนาคตก็จะค่อยๆวูบลงและดับไปในที่สุด ตัวอย่างแบบนี้ลูกคงจะเห็นมาบ้างแล้วบางคนเบื้องต้นชีวิตลำบากยากจนแต่ด้วยความมุมมานะรู้จักทำงานรู้จักเก็บออมรู้จักกินใช้แม้แต่ต้องอบบยมุกและสิ่งของเสพติดต่างๆไม่นานก็ตั้งตัวได้อนาคตสดใสชีวิตสุขสบายแต่บางคนเบื้องต้นชีวิตสุขสบาย พ่อแม่หาเงินทองไว้ให้เป็นกายเป็นกองแต่คิดสั้นๆเอาแต่ตามใจตัวเองไม่รู้จักคุณค่าของทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ยกให้กินใช้อย่างฟุ่มเฟือยไม่ช้าไม่นานก็หมดตัวชีวิตต้องลำบากลำบนหมดอนาคตไปน่าเสียดายแทนพ่อแม่เขาสู้อุตสาหามาเกือบตลอดชีวิตแต่ลูกกลับมาพลานเสียไม่กี่ปี อบายามุกไม่เข้าใครออกใครหรอกลูกเอ้ยมันทำลายอนาคตของทุกคนนั่นแหละถ้าไปหลงติดมันเข้าทำตามคำโบราณที่ว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อเป็นดีที่สุดเลี้ยงลูกให้โต ลูกรักลูกออกจากอกพ่ออกแม่ไปแล้วลูกจะต้องมีครอบครัวและมีลูกมีเต้าจะต้องรับผิดชอบลูกเป็นดวงตาดวงใจของพ่อแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อแม่ข้อนี้ลูกคงเข้าใจลึกซึ้งดีแล้วจึงควรเลี้ยงลูกให้ดีให้เขามีอนาคตเพื่อลูกเองจะได้สบายตาสบายใจในอนาคตไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะเขาทาไม่ถูกใจ หรือทำไม่ถูกต้องการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องมีอยู่สองแบบคือเลี้ยงลูกให้โตกับเลี้ยงลูกให้ดีการเลี้ยงลูกให้โตคือเลี้ยงให้เขาเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจแต่การเลี้ยงลูกให้ร่างกายเขาจเจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์พูนสุขนั้นไม่พอต้องเลี้ยงจิตใจเขาให้เข้มแข็งด้วยหากว่าจิตใจเขาไม่เข้มแข็ง เขาจะกลายเป็นลูกแง่ที่ไม่รู้จักโตพึ่งตัวเองไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นตลอดไปการฝึกให้เขาเป็นตัวของตัวเองฝึกให้เขาเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองให้เขาทำอะไรเป็นคือฝึกให้เขาช่วยตัวเองได้ในทุกๆเรื่องโดยมีเราคอยอยู่ห่างๆคอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำเขามีใช่คอยควบคุมเขานี่แหละคือการเลี้ยงลูกให้โตอย่างถูกต้อง เขาจะทำอะไรผิดพลาดบกพร่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้างก็ต้องยอมทนเอาหน่อยนานเข้าเขาก็จะเป็นตัวของเข้าเองได้ช่วยตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้โดยลำพังเราก็จะสบายใจหายห่วงหากเลี้ยงเขาแบบลูกแงหรือแบบลูกบังเกิดกล้าวทำอะไรให้เขาทุกอย่างคิดแทนเขาทุกอย่างนำทางเขาทุกเรื่อง ไม่ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองบ้างเอาแต่กลัวว่าเขาจะลําบากกลัวเขาจะผิดพลาดอย่างนี้เมื่อไหร่เขาจะโตสักทีเมื่อเขายังเป็นลูกแงอยู่ในอนาคตเราจะพึ่งเขาได้อย่างไรอนาคตเขาเองยังแทบจะเอาตัวไม่รอดเลยชะไหนจะสามารถเลี้ยงดูเราได้เล่า เลี้ยงลูกให้ดีลูกรักการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องอีกแบบหนึ่งคือเลี้ยงลูกให้ดีนั้นหมายความว่าต้องให้เขาเป็นคนดีทั้งจิตใจและการกระทำความจริงพ่อแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกเป็นคนดีทั้งนั้นแต่ลูกจะเป็นคนดีตามที่ต้องการได้ทุกคนหาไม่ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราผู้เป็นพ่อแม่ด้วยคือเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเป็นอันดับแรกเราอยากให้ลูกของเราดีอย่างไรดีทางไหนเราก็ต้องทำให้เขาเห็นหรือพาเขาไปดูแบบอย่างที่ดีตามที่เราต้องการเช่นอยากให้ลูกมีน้ำใจมีเมตตากรุณาเราต้องทำตัวให้เป็นคนมีน้ำใจมีเมตตากรุณาให้เขาเห็นเป็นประจำ เราอยากให้ลูกขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตมีความกระตัญยูเราก็ต้องทำอย่างนั้นเป็นแบบอย่างการเอาแต่สอนเอาแต่บอกให้ลูกขยันซื่อสัตย์กระตัญยูจะเกิดประโยชน์น้อยสู้ทําให้เขาเห็นเป็นแบบอย่างไม่ได้หรอกเลี้ยงลูกให้ได้ดีอีกทางหนึ่งก็คือสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีน้าใจได้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยคนที่ลาบากยากจน อย่างนี้ก็เป็นการฝึกให้เขาเป็นคนดีได้เหมือนกันคนเรานั้นอยากดีด้วยกันทุกคนแต่ที่ดีไม่ได้ก็เพราะคนใกล้ตัวบ้างสิ่งแวดล้อมบ้างเหตุการณ์บังคับบ้างไม่มีโอกาสทำความดีบ้างหากเราจะให้ลูกของเราดีตามที่เราต้องการเราก็ต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของเขาก่อนเราต้องมีศิลปะในการเลี้ยง ค่อยๆบันค่อยๆแต่งค่อยๆแนะนําชักนําเข้าไปในทางที่ดีเขาก็จะเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการการเลี้ยงลูกให้ดีนี้ค่อนข้างยากต้องทําติดต่อเรื่อยไปอย่าด่วนเหนื่อยหนายเสก่อนปั้นลูกให้เป็นคนดีนั้นยากกว่าปั้นองค์ปั้นหายตั้งหลายร้อยหลายพันเท่านักขอให้ลูกยึดถือคติที่ว่าถ้าอยากให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดู รับรองไม่ผิดหวังในตัวลูกแน่